ในทีนี้เคยมานอะอนุโมทนากับญาติธรรมทุกทุกท่านวันนี้จะพูดไปรอดป่าไม่รู้นะว่ามันตอนนี้มาอะไรแต่ซากชีวิตเลยนะปล่อยทิ้งมันไปหมดแล้วร่างกายยังไงมันก็กู้ขึ้นมาไม่ได้ละก็เหลือเวลาเป็นช่วงระยะสั้นๆวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นแนะ่ะ อยู่ได้วันหนึ่งคืนหนึ่งก็รู้สึกว่าพอใจแล้วชีวิตของผมที่จริงผมอยู่มาเกินโปรต้าที่หมอให้เอาไว้ก็เจ็ดแปดเดือนแล้วนะอยู่มาได้ตั้งแปดเดือนมันพ้นระยะสามเดือนมา แ, แต่ว่ามันมีเหตุนะมันมีเหตุที่อยู่มาได้ยาวนานถึงกระทั่ง อายุหกสิบพอดีในปีใน เ, เดือนในเดือนพฤษภาคมหกสิบพอดี <c oughs> ที่อยู่มาได้ก็เพราะว่าแรงอธิษฐานของญาติธรรมนี่แหละแต่ละท่านนี่อธิษฐานให้ผมต้งนั้น <c oughs> ไปอินเดียก็อธิษฐานให้ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเตา่า ก็อธิษฐานบุญไาให้ผมจิต ใ, ใ, ใจที่มีความตั้งใจของญาติธรรมเนี่ยมันมีพลังแรงกล้าพอแต่ละคนในมีความตั้งใจแล้วเกินอยากจะให้มีชีวิตอยู่ได้นา น, านมีทุกขเวทนาน้อยลงแล้วบางคนบอกว่าขอให้เดินได้ต่างหาก เกินโกลตาปไปแ้วกันแต่ยังไงเสี้ยนี่อันนั้นเป็นสิ่งที่ญาติทํามช่วยเหลือให้กำลังใจมาแต่ส่วนผมเองนี่ก็มองดูเหตุปัจจัยสำคัญมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยด้วยกันอาการโรคร้ายที่เป็นอยู่นี่ก็ไม่ได้ไม่ได้เข้ารับรักษาจากโรงพยาบาล คุณหมอก็อยากจะทำอะไรหลายๆอย่างแต่เราก็ไม่ได้ทำก็อยู่มันไปด้วยอาศัยบุญหล่อเลี้ยงก็คิดว่ามันมีส่วนคนที่มีสุขภาพไม่ดีหรือเป็นชีวิตช่วงสุดท้ายเนีย่ยไม่ต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่าง โดยเพราะเรื่องของการรักษาเนี่ยอันดับแรกเราต้องมีมีหมอดีคำว่าหมอดีนี่คือหมอที่มีจิตใจที่จะช่วยเหลือเราจริงๆถึงไม่เก่งแต่ก็จิตใจที่จะช่วยเหลือเรามีความตั้งใจหมอที่รักษาผมทุกคนเนี่ยจิตใจดีท้งนั้นมีความตั้งใจในการช่วยเหลือผมผมก็ไม่ได้หวังว่าให้มันหาย แต่ที่รักษากับท่านก็เพราะว่าผมชอบใจท่านใจท่านมีความตั้งใจดีมีความมั่นคงดีเราก็ยินดีรักษาได้เลยรักษาได้เลยเนี่ยเราถือว่าเป็นหมอดีไม่ใช่มีองค์ความรู้ดีเนี่ยหมอดีนี่สำคัญแล้วก็มียาดียาาดีนี่ไม่จช่เป็นต้องยาราคาแพงๆเนี่ยเป็นยาสมุนไพรธรรมดาเนี่ย มียาที่มีคุณภาพหน่อยไม่ใช่ของแสลงหมอดียาดีแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ที่สมบูรณนะ์ไอเรื่องทันสมยัยบางทีมันก็ไม่ค่อยทันสมยัยแต่เขาก็พอใช้ได้แล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือผู้ ด, ดูแลดีผู้ ด, ดูแลในี่เยี่ยมเลยนะ คนใกล้ตัวเราเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นอวรกรอบคิดว่าสำคัญมากเนี่ยป็นคนมีจิตมีใจที่จะช่วยเหลือเราจริงเนี่ยจากเจ็บหนักมันก็รู้สึกเบาผ่อนคลายเราไปได้ถ้าคนดูแลเราหน้าตาเคร่งเครียดคอยแต่บังคับข่มขู่ให้ต่กินแต่นั่นกินแต่นี่ไอ้นี่ห้ามรับรองโรคมันไปได้ไม่นานแล้วเดี๋ยวมันก็ถอย <laughs> คนดูแลต้องรู้จักเอาอกกระจายในบางครั้งเนี่ยต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวบางครั้งก็ต้องเข้มแข็งบางครั้งก็ต้องอ่อนต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวจะเห็นตรงอย่างเดียวไม่ได้เนี่ยผู้ดูแลนี่สำคัญนะมีจิตใจที่ดีไม่เคร่งเครียดคนไข้มันก็เลยไม่เครียดก็สนุกไปด้วยกัน แต่ว่าอันนั้นคือเป็นประเด็นภายนอกแต่สิ่งที่ช่วยตัวเราได้จริงๆนะคือต้องใจดีเนี่ยใจดีสำคัญมากองประกอบข้างนอกมันจะดีเท่าไรก็ตามแต่ถ้าใจคนไข้ไม่ดีเนี่ยมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันใจดีต้องรู้จักยอมรับ ยอมรับกับโรคไปแค่เจ็บที่เกิดขึ้นกับเราแล้วแล้วก็ต้องรู้จักที่จะปล่อยวางบ้างไม่ใช่ว่าจะต้องให้มันหายเสมอไปนมันต้องกล้าได้กล้าเสียออืหายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรเราเราก็อยู่ของเราไปอย่างนี้แหละโลคร้ายก็ตามถ้าเราตัดความกังวลออกได้เนี่ยโอ้โหมเกือบ มันมันมันหายไปแล้วครึ่งหนึ่งนะเนี่ยตัดความกังวลออกได้อันเนี้ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะเนี่ยผมก็ใช้เนี่ยองประกอบมาห้าอย่างเนี่ยเนี่ยอาศัยใจดีเป็นหลักไว้ก่อนสื่ออื่นไม่ดีไม่เป็นไรถ้าใจดีนี่ใจดีเท่ากับเป็นยาดีนะรักษาได้ทุกโรคทางใจเราใจดีแล้วมันได้เป็นทุกข์เนี่ยใจดีนี่ก็คือ อาศัยเป็นธรรมะโอสดช่วยก็อยู่มาได้อย่างนี้แหละจิตใจที่ดีแล้วก็สามารถทำงานได้บ้างเล็กน้อยเนี่ยใครมาเยี่ยมมาหาเราก็ไม่ได้พูดอะไรก็ยิ้มให้เขาเขาก็สบายใจโลกเราก็ค่อยๆทุเลาลงไปด้วยรอยยิ้มเนี่ยมันสื่ออะไรที่มันลึกซึ้งได้กว่า คำพูดจะเรื่ดซ้ำไปตดยนี้ไม่ค่อยมีแรงเอาแรงไว้หายใจออบความสาคัญมันคือต้องหายใจบางทีลืมหายใจเคยลืมหายใจไหมเราทนลึกกันได้เอายังเรายังไม่ได้หายใจต้องปั๊มด้วยหน่อยต้องต้องตั้งใจหายใจเลยนะมันไม่งั้นมันลงไม่ลึกอะลงง่ายนี่ร่างกายก็พิการอ่อนแออยู่แล้ว แล้วแถมมีโรคร้ายเบียดเบียนแล้วแก่กต่างหากโอหลายอย่างเราก็เลยต้องต้องขยันหายใจหน่อยมีพระคุณเจ้าวางลูกก็บอกไว้แล้วนะบอกว่าอาจารย์กาพลถ้าอยากจะมียุดยืนยาวอย่าหยุดหายใจหายใจเข้าไวเออ้เราจาคำนี้ได้มันหยุดไม่ได้นักต้องหายใจเข้าไว้ยังไงก็ต้องหายใจเข้าไว้ ตื่นมากลางดึกก็ต้องหายใจเข้าไว้บางทีมันแน่นหน้าอกเราหายใจไม่ออกยอยาหยุดหายใจเนะทุกคนก็เหมือนกันนะถ้าไม่อยากตายอย่าหยุดหายใจหายใจเข้าไว้ตอนนี้เรื่องของร่างกายก็ประคองอยู่อย่างนี้แหละมันก็อยู่ได้นะวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วก็ภูมิใจแนละ้ไวไม่ต้องการให้มันดีไปกว่า น, นี้นะวันหนึ่งคืนหนึ่ง ใครมาเยี่ยมหมหาก็ยิ้มเขาดูได้ก็พอแนะละไม่ได้พุทธว่าอะไรอาศัการยิ้มบ่งบอกว่านี่แหละคือจิตสดใสแม่กายพิยการตัวจริงเราต้องมีอย่างนี้แลวทีนี้ไหนว่ามางานหลวงพ่อคำเขียนแลนะเราก็อยากจะบอกอะไรบางอย่างเกกระลุกพ่อคาเขียน นะผมนี่เวลาอยู่วัดป่าสุขโตนี่ไม่ค่อยได้คุยกับหลวพ่อเขียนมากสุมาหลวงพ่อก็จะผ่านมาหาแล้วก็มาคุยด้วยนะบางทีท่านก็หาเรื่องจะมาหาเราคือท่านออกจากยาเจ้าจากกุฏิออกมาเดินนะมาคุยกับเรา วันหนึ่งมันออกพรรษาเนี่ยวันที่ผมออกวันที่ออกพรรษาเนี่ยเราก็จะกลับบ้านแต่เราก็ต้องไปแวะที่วัดธรรมาไฟหวานนะไปแวะหาหลวงพ่อคําเขียนเป็กกลาเพื่อจะลากลับบ้านออกพรรษาและตอ น, น, นอยุวัตบาทสุกโตไปกับคุณพ่อหลวงพ่อก็เดินมาจากกุฏิเดินมาเกาะที่รถ เนี่ยรถคุณชัดเนี่ยผมอาศัยรถคุณชัดรถปิกอัพเก่าๆลุงพ่อก็มาอวยพรถ้ากลับไปแล้วก็อย่าลืมกลับมานะบ้านหลังที่สองมาตายที่นี่ตายที่นี่ลุงพ่อพูดแล้วเราก็เลยถือโอกาสถามเลยที่รุ่นนั้นเนี่ยทิวป่าสุโตอเนี่ยเขาจะคุยกันเรื่องการดูเป็นผู้ดู ผู้เรื่องการเป็นผู้ดูเนี่ยตัวชิดมากเป็นผู้ดูผู้เห็นเนี่ยนะไอ้เราก็ฟังแล้วอาจจะไม่ชัดเจนก็ถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อช่วยอธิบายเทคนิคในการดูเราจะทำอย่างไรเนี่ยเป็นคำถามที่ถามครั้งแรกที่เจอหลวงพ่อ เขาบอกว่าทําตัวดูให้เด่นหัวละเยะ่อกายหัวละเยอะจิตถ้าทําตัวดูให้เด่นได้เมื่อไหรล้วก็จิตจะเป็นวิมุตติอันนี้เดี๋ยวว่าถ้าเด่นแล้วหลุดพ้นเลยนะโอ้โเพียงแค่นี้แล้วก็กลับไปบ้านไปไปดูไปฝปึกดู อันนี้ครั้งแรกที่เป็นเทคนิคที่หลวงพ่อบอกกับเราแล้วครั้งที่สองเรากลับมาอยู่ที่วัดป่าสุกโตแล้วหลวงพ่อก็จะต้องเดินผ่านกุฏิมันเดิมท่านอยู่กุฏิหลังผมท่านไปทํางานมาพ่อตอนเช้าชอบขุดดินชอบปลูกต้นไม้ แล้วมีเสียงล ะ, ละครละครเพื่อจะฉันลุงพ่อจะมาที่หลังไปจันที่หลังให้พระที่ไปช่วยเนี่แป๊บแป๊บแปไ ป, ไปสราไปฉันเตรียมตัวฉันนะลุงพ่อก็จะเดินมาที่หลังแ ล, ล้วลุงพ่อก็มาถึงที่กุฏิผมตอนนั้นคุณแม่ผมไปแทนคุณพ่อคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วคุณพ่อนะไม่ใช่ลุงพ่อ <laughs> คุณพ่อผมเสียชีวิตไปแล้วคุณแม่ไปแทน เ้าก็ถามว่าอาจารย์กำพลอยู่กับใครอยู่คนเดียวครับทำอะไรอยู่จเจริญสติครับอ๋ออยู่คนเดียวนี่เหมือนกับอยู่กับพระพุทธเจ้านะอยู่คนเดียวเหมือนมีพระพุทธเจ้าคอยคุ้มครองดูแลอยู่นะเพราะนั้น พุทธะก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่นั่งอยู่คนเดียวไม่สําคัญสําคัญที่ว่าเรามีสติอยู่เป็นเพื่อนเท่ากับอยู่กับพระพุทธเจ้าอันนี้ก็สําคัญนะเนี่ยครั้งที่สองที่ดีที่ได้รับคําแนะนำจากหลวงพ่อแล้วมีครั้งที่สามครั้งที่สามนี่คุยกับหลวงพ่อ ใต้สาราหอไตรหลวงพ่อบอกว่าคำสอนของหลวงพ่อเนี่ยมันมีมันมีเน้นอยู่ว่าการเป็นผู้ดูเนี่ยก็จะเน้นมากเลยเรื่องผู้ดูผู้ดูเป็นบทสรุปเป็นการวางใจเป็นต้นเหตุของการปฏิบัติเลยเป็นตัวเหตุเลยเป็นผู้ดู แต่เป็นผู้ดูนี่เป็นเพียงแค่เพชรแห่งธาารรมนะคําว่าผู้ดูเนี่เป็นเพียงแค่เพชรแห่งธรรมเป็นตัวสร้างเหตุในการเข้าถึงตัวผลเป็นเพชรแห่งธรรมแต่ว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรนไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยเป็นมงกุฎแห่งธรรมซึ่งเป็นตัวผลที่เกิดจากผู้ดู โอ้โอเนี่มันก็นลึกไปอีกชั้นหนึ่งนะเนี่ยเรื่องการฝึกผูด้ดูเนี่ยการเจริญสติเนี่ยต้องวางใจเป็นผู้ดูไว้ก่อนอดูกายมันเคลื่อนไหวดูใจมันคิดนึกให้เป็นผู้ดูไว้ก่อนอันเนี้ถือว่าเป็นเพชรแห่งธรรมแล้วดูเป็นนานเนี่ยจะเกิดผลจนเห็นความไม่เป็นอะไรกับอะไรในภาวะที่เป็นผู้ ด, ดูอืม มันก็ลึกพอสักควรไปบอกต่อๆกันว่าไปบอกต่อๆกันนะว่ามันมีแรงพูดแล้วไปบอกต่อๆกันอนะ่มันนี้มาครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายนี่ก่อนที่หลวงพ่อจะอาพาธตอนนั้นอาพาธไปแล้วที่จุฬาแล้วหายนะหายมาอยู่วัดแล้วก็มาเยี่ยมผมที่บ้านอที่ชมรมเพื่อนคุณธรรมที่กรุงเทพ มาเยี่ยมมาเตือนอาจารย์กำพลอย่าพูดธรรมะนานๆานพูดธรรมะนานๆานแล้วมันเสียพลังให้ภาคพอให้มากๆท่านเตือนเอาไว้ตั้งแต่นันต้นมาเนี่ผมไม่เคยชื่อหลวงพ่อเนี่ยผมก็ยังทำงานผมอย่างงี้ยนะนาะไปายต่างประเทศไปพูดธรรมะ พูดตามมาพูดจนชั่วโมงครึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็พูดได้นะพูดสุดท้ายมันไอที่หลวงพ่อบอกมันหมดแรงแล้วก็เด้งเด้งอะไรก็คือร่างกายทนไม่ไหวใช้ร่างกายเกินความจำเป็นนะยกของเกินน้ำหนักตัวก็เลยกลับมาจาก ต่างประเทศจากญี่ปุ่นจากเมืองจีนนะกลับมามาโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ไม่อยู่นะต่ยตอาศัยโรงพยาบาลเสาให้ของเนี่ยที่คุณหมอสุวัสด์อยูนะ <c oughs> ่เกือบจะไม่รอดพูดไม่มีเสียงเจ็ดวันไม่ใช่ว่าเสียงแหบนะพูดไม่ได้มันเหนื่อยจนกระนั่งไม่มีแรงพูดคิดว่าคราวนี้เราคงจะต้อง ไม่รอดแล้วก็ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเซาให้จังหวัดสระบุรีหนึ่งปีเต็มๆโอ้ร่างกายเริ่มแข็งแรงขึ้นอีกก็เล้ตั้งใจว่าเอาล่ะพอเราออกจโรงพยาบาลถึงกั้นเป็นมะเร็งแบบนี้แล้วคนจะหยุดทีเนี่ยอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นครั้งสุดท้ายเลยนะไม่เคยไปผู้ที่ไหน ไม่เคยพูดเด่นนานขนาดนี้ด้วย <Yeah. S 1> ก็คิดว่าอาศจะประกาศแขวนใหม้ <laughs> ปกตินักมวยจะแขวนนวมแล้วก็ประกาศแขวนไม่บ้างละหันว่าคว้ายาดมเ <laughs> <laughs> พราะมันไม่ไหว <laughs> เอานะอนุโมธนาบุญทุกๆท่านที่มาในงานนี้นะก็ขอให้ได้บุญกลับไป มากมายนะครับสาูุ